ไม่ได้เจอกันสองเดือนนะเนินก่อนไม่ได้เทศที่นี่กเลยกลายเป็นทิ้งช่วงสองเดือนสองเดือนมันก็เกินเจ็ดวันบางคนเจดวันเขาก็บรรลุธรรมมันมีนะสองเดือนได้ภาวนาไหมต้องเตือนตัวเองบ่อยๆให้ขยันภาวนานะ อะไรที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามเราก็ไม่ทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำเราก็ทำท่านสอนให้มักน้อยให้สันโดษไม่คลุกคลีอันนี้เราก็ไม่มักมากไม่โลภมากไม่บุ่นวายมากปรารบความเพียร เราต้องปรารบความเพียรนั้นคิดถึงการปฏิบัติว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนคนที่เรารู้จักน่ตายไปเยอะและ้วหรือบางคนที่เรารู้จักน่ไม่มีกำลังจะภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการาชีวิตเนี่ยเป็นของที่สั้นนิดเดียวแล้วก็คอยเตือนตัวเองเรื่อยๆถ้าเรา คิดว่าชีวิตเราอามาตะไม่มีวันตายเลยลืมลืมตายคนโบราณเรียกลืมตายกอเพลินเพลิ น, ลนไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะแปบ๊บเดียวก็ปีหนึ่งผ่านไปไม่นานก็สิบปีไม่นานก็ตายละผ่านไปรวดเร็วมากเลยนี่ถ้าเรารู้ทันนะว่าชีวิตเรามันมีจํากัดของอื่นเยเรายัางหามาทดแทนได้ อย่างทรัพย์สินเงินทองหมดไปก็ไปหามาใหม่ได้แต่เวลาในชีวิตเราหมดไปเนี่ยหาใหม่ไม่ได้แล้วมันเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนจริงๆเลยของอื่นหาแทนได้กระทั่งสามีปัญญานะหมดไปหาแทนใหม่อย่างได้เลยแต่ชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรแทนนะมีแต่หมดไปเลยไอย ้าเรามีทรัพยากรที่จำกัดอย่างนี้เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ชีวิตคนรุ่นนี้ก็ประมาณ75ปีอายุเฉลี่ยอายุกับประมาณ75ปีเราไปนอนซะยีปีล้นอนซะหในสของชีวิตตอนเด็กก็นอนเยอะหน่อยโตขึ้นมา อดหลับอดนอนทำมาหากินแก่ๆทำอะไรไม่ได้ต้องนอนอยู่เฉยๆอีกเวลาอีกเกินครึ่งของที่เหลือเอาไปทำงานวันหนึ่งสมมติทำงาน8ดชั่วโมงก็หนึ่งในสามของชีวิตแล้วเหลืออยู่นิดเดียวในนิดเดียวถ้าเราอยากเอาไปเล่นซะอีกมันเลยไม่เหลือเวลาภาวนา ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยให้ทบทวนตัวเองเลยในความเป็นจริงเวลาภาวนานะมีแต่เราทิ้งมันไปเวลากินข้าวก็ภาวนาได้ดูจิตดูใจมันตะกละขึ้นมารู้ทันมันพอใจมันไม่พอใจในรสของอาหารรู้ทันนี่ก็ภาวนาละจะอาบน้ำอาบน้ ำ, นำถ้ามีความสุขก็รู้ อาบน้ําแล้วเป็นหน้าหนาวๆอย่างนี้กลัวน้ําใจไม่ชอบเลยขยักขยงสยองอย่างนี้รู้ทันก็ไปอาบน้ําเสร็จตัวอบอุ่นสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่ยก็ท่านอาบน้ำนะก็ท่านขับถ่ายก็าภาวนาขับถ่ายไม่ออกกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจขับถ่ายได้สบายใจรู้ว่าสบาย นันทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นข็าท่านจะแต่งเนื้อแต่งตัวจะมีผมทาหน้าท า, า, ท า, าปากเขียนคิ้วนะจะทำอะไรคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆมันมีเวลาแย่ไปนั่งรถไปทำงานนะรถติดกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะรถไม่ติดสบายใจรู้ว่าสบายใจเนะี่ยคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราไปเรื่อยไม่ทิ้งนะ ให้คำว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยไม่มีหรอกเวลาภาวนามีเยอะแยะเลยส่วนมากเราเอาเวลาที่ควรจะภาวนานั้นเอาไปทิ้งซะเปล่าๆอย่างเราเดินไปทําธุระเราเดินเดินไปขึ้นรถเมย์เดินไปอะไรองี้ทุกก้าวที่เดิน ร, รู้สึกตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจก็ได้ภาวนาได้เดินโจกรมตั้งแต่เช้าแล้วงั้นชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ว่า หาเวลาไม่ได้เลยแต่ว่าเราไม่รู้จากคุณค่าของเวลานะไม่รู้จักหยิบฉวยเราก็เลยมาบ่นเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ปฏิบัตินะที่ว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินะหลวงพู่ดูลพูดถึงขนาดว่ามีเวลาหายใจก็มีเวลาปฏิบัติทําไมมีเวลาหายใจแล้วมีเวลาปฏิบัติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแค่นี้ก็ได้ปฏิบัติแล้วนะ ถ้าเรารู้นะชีวิตเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่ใกล้จะสิ้นปีละฉะลองปีใหม่กันไม่นานเลยจะถึงเวลาฉลองปีใหม่กันอีกแล้วมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะปีหนึ่งปีหนึ่งแป๊บเดียวก็10ปีแป๊บเดียว20ปีนะไม่นานทุกอย่างก็ผ่านไปหมดเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาระสําสคัญในชีวิตของเร า, าอะไรไม่ใช่ของสําคัญเป็งแค่ของอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวชื่อเสียงเกียรติยศไอะไรพวกนี้เป็นของที่เราเอามาอาศัยอยู่กับโลกโช่วครั้งช่วคราวต่อไปเราก็ต้องคืนเข้าไปอย่ยเรามีครอบครัวอยู่กันไปต่อมาลูกก็เรียนจบหรือลูกไปเรียนหนังสือที่อื่นลูกก็แยกออกไปเคยมีครอบครัวหลายคนก็เหลือน้อยลงเหลือสองคนตายใหญตายไปหนึ่งเหลือคนเดียวอยู่แล้วเนี่ย สุดท้ายตัวเองก็อยู่ไม่ได้ตัวเองก็สูญเสียกระทั่งชีวิตร่างกายของตัวเองก็เสียไปอีกตัวครอบครัวทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานชั่วคราวทั้งหมดเลยจําเป็นต้องมีไหมก็จําเป็นเพื่อจะอยู่กับโลกอย่างเดือนตุลาสิ้นเดือนกันยาขึ้นเดือนตุลาคนกเสียนอายุเยอะแยะเลย เคยมีอำนาจหมดอำนาจ แ, แต่เดิมผ่านไปไหนคนเขาก็ไหวเดี๋ยวนี้คนเขาก็ทําไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ฉี่นะเป็นนายกเป็นสสใหญ่โตเป็นรัฐมนตรีใหญ่โ ต, ถ, โตถึงวันหนึ่งคนเขาก็ไม่มองไปไหนเขาก็ไล่เอาก็มนะีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเราไปเห็นของไม่มีสาระว่าเป็นของมีสาระไปให้ความสําคัญกับสิ่งพวกนี้เราไปต่อสู้ยั่งฉิง ของซึ่งมันจะต้องคืนเจ้าของในเวลาไม่นานส่วนธรรมะนั้นเป็นของที่จะอยู่กับเราตลอดไปอยู่คู่กับชีวิตจิตใจของเราเราก็ต้องพยายามพัฒนาธรรมะขึ้นมาให้ได้ให้เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราให้ได้อะไรที่พุทธเจ้าห้ามเราก็อย่าไปทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำเราก็ขยันทำท่านห้ามไม่ให้ทำบาปอากุศลเราก็อย่าไปทา ทางกายทางวาจาทางใจนะท่านสอนให้เราเจริญศีลสมาธิปัญญาเราก็ทำล้วเราทำอย่างที่ท่านสอนทำมามันก็มาสู่ใจเราในเวลาไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราตั้งใจนะรักษาศีลทุกวันเราก็พยายามฝึกให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้ล่องลอยหนีไปทุกวันค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดู ร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายใจเป็นคนดูมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆเกิดขึ้นในใจใจเป็นคนดูมีความดีเกิดขึ้นยังมีศรัทธามีความเพียร มีสติมีสมาธิมีการเจริญปัญญากเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูมีอกุศลโลภโกรดลงเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูนะตัวจิตตัวใจเองก็เปลี่ยนแปลงเดียวใจเข้าไปดูนะจิตมันวิ่งไปดูก็รู้ทันว่าตอนนี้หลงไปดูแล้วจิตมันไปฟังรู้ทันว่ามัหลงไปฟังแล้วจิตมันไปคิดรู้ทันว่าหลงไปคิดแล้ว เนี่ยคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจนะเห็นกายเห็นใจทำงานไปเรื่อยไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหรอกคนทั่ ว, วไปก็ทำได้แต่ว่าละเลยคิดว่าชีวิตนี้จะอยู่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนั้นลืมลืมตายถ้ารู้ว่าไม่นานก็ตายน ะ, ะของที่เที่ยวหามานะก็ต้องทิ้งไปหมดเลยไม่มีสาระสักอย่างเราก็จะมาหาของที่มีสาระ หาธรรมะมาสู่ใจเรามีศีลมีธรรมธรรมะฝ่ายเลวนะอกุศลทั้งหลายเอาออกไปจากใจธรรมะฝ่ายดีนะพัฒนาขึ้นมาในใจเราธรรมะฝ่ายเลวออกไปได้ยังไงธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นได้ยังไงฟังแล้วเหมือนมีงานที่ต้องทํามากมายไม่มีอะไรต้องทํามากมายรอกให้มีสติไว้เท่านั้นแหละเพราะทันทีที่มีสตินะอกุศลที่มีอยู่จะดับไปทันทีนะ มันะดับโดยอัตโนมัติทันทีที่มีสติเนี่ยอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติทันทีที่มีสติจิตจะเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีสติบ่อยๆกุศลเราก็เจริญงอกงามอย่างศีลแต่เดิมรักษายากอศีลเจริญงอกงามรักษาง่ายไม่ต้องเจตนาจะรักษาศีลมันก็เป็นเองใจมันก็มีศีลขึ้นมาเองสมาธิแต่เดิมทํายากนะ เรฝึกของเรามีสติรู้เท่าทานจิต ท, ที่เคลื่อนหนีไปเรื่อยๆสมาธิก็ เ, เกิดง่ายขึ้นง่ายขึ้นต่อไปแค่เราเลิกถึงเมื่อใจกําลังไหลไปเท่านะั้นใจกําลังเผลอไปนั้นะสมาธิก็ เ, เกิดแล้วมันง่ายขึ้นเรื่อยๆกุศลมันเจริญแต่เดิมเคยหลงได้ยาวหลงสั้นลงสั้นลงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นมากขึ้นนะหรือแต่เดิมเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวไม่เคยรู้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เคยรู้ ที่ไม่เคยรู้เพราะไม่สนใจจะรู้ถ้าสนใจก็รู้ได้ทุกคนนหะต่อมาพอเราหัดมากเข้ามากเข้ามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกของมันเองนะไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกจิตใจมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาไม่เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกพวกเราตอนเนี้เวลานอนหลับแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยใครรู้สึกได้บ้างรู้สึกไหมเห็นตัวเองพลิกไปพลิกมายกมือสูงๆหน่อย ยหมือให้ดูหน่อยนะหรือใครพลิกก็ไม่รู้เลยนะใครเคยเห็นตัวเองกล่นบ้างโอ้พลิกไม่รู้แต่กลนรู้นะสแสดงว่ากลนดังได้ที่เลยนะเนี่ยพ่ออะไรรัศดีเราดีขึ้นร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยนะเนี่ยพวกที่นอนหลับอยู่แล้กระดุกระดิกก็รู้สึกเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าตอนตื่นรู้สึกไหม มัรู้สึกอยู่แล้วล่ะถ้าตอนตื่นมันไม่รู้สึกตอนหลับมก็ไม่รู้สึกหรอกนะรู้สึกไหมพยักหน้ารู้สึกได้ไหมว่าพยักหน้ายิ้มสิรู้สึกไหมว่ามันยิ้มรู้สึกได้ง่ายจะตายไปในะส่ใจซะหน่อยเท่านั้นเองอย่าไปลืมตัวเองบ่อยๆนะจะลืมนานนะอย่าไปคิดแต่ว่าเวลายังเหลือชอบดูนะเวลายังเหลือยังไม่ได้เวลานัดเนี่ยยังเหลือเวลา จริงเวลานะหมดไปแล้วไม่มีคืนมาละมีเวลาว่างสมวติเราจะนัดพบกัอใครสักคนนะนัดพบลูกค้าลูกค้ายัางไม่มาเนี่ยมีเวลาว่างหนาที10นาทีก็ดูหัวเราไปรู้สึกตัวมีสติขึ้นมาหงุดหงิดลูกค้านัดไว้แล้วไม่มาสักทีหงุดหงิดมีสติรู้ว่าหงุดหงิดนะความหงุดหงิดม่จะดับไปพอลูกค้ามาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ละไม่ต้องแกล้งยิ้ม ลูกค้าเดี๋ยวนี้นะฟังซีดีหลวงพ่อเยอะนะเพราะงั้นเนี่ยบางทีมันรู้ใจเราด้วยนะอะมันไม่ใช่รู้ใจตัวเองเท่านั้นนะรู้ใจคนอื่นได้ด้วยเรากําลังโมโ oh ห ok เขาหนะ้าเราแกล้งยิ้มเนะ่ยเขาดูปุ๊บเขารู้เลยว่านี่มันแกล้งยิ้มนะปากปลาใสน้ําใจเชือ่อคอนี่เจรจาธุรกิจยากเลยงั้นต้องมันต้องมีความสุขนะออกมาจากภายในนะมีความเมตตากรุณาความเป็นมิตรออกมาจากภายใน มีสติไปละมันมีเองเราโมโหใครสักคนเรารู้ทันไปความโกรธมันก็ดับไม่เห็นจะมีอะไรเลยทันทีที่ความโกรธดับใจก็เป็นกุศลละใจมันไม่โกรธทันทีที่ความโลภมันดับอย่างเช่นเราจะเจรจากับลูกค้าเราคิดจะฟันให้เต็มเหนียวเลยเราเห็นในใจมันโลภโอ้ยางนี้มันไม่ยุติธรรมก็มีความเป็นธรรมในการทามาค้าขายได้ลูกค้านะ ไม่ใช่เขาซื้อครั้งเดียวเขาก็ไปบอกต่อเรียกว่าใช้เหลวแล้วบอกต่อไม่ใช่ใช้ดีแล้วบอกต่อนะเนีเพราะฉเราต้องพยายามมีสตินะรู้สึกตัวไปอย่าไปแยกการปฏิบัติออกจากการใช้ชีวิตจริงการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยต้องเป็นอันเดียวกันให้ได้ถ้าเราแยกการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตออกจากกันแล้วไปคิดว่าชั่วโมงนี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลาที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติ พวกนี้เข้าใจผิดแล้วถ้าเราหายใจออกก็ต้องรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวถือว่าปฏิบัตินะก็หายใจทั้งวันก็ต้องปฏิบัติทั้งวันถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมันก็ต้องยืนเดินนั่งนอนทั้งวันก็ต้องปฏิบัติจนได้ทั้งวันไม่ใช่ว่าเว้นวักนะตอนนี้จะรู้สึกตัวเวลาที่เหลือจะหลงถ้าจิตมันเคยชินที่จะหลงอยู่แล้วมันไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวถ้าเรายังแบ่งเวลาเอาไว้ให้หลงอีกนะฝึกซ้อมความหลงะ มันยิ่งหลงเก่งโอกาสที่จะรู้สึกตัวยิ่งน้อยลงน้อยลงอย่างบางคนนัแบ่งเวลาเลยจะปฏิบัติวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาคุยอวดหลวงพ่อเลยดิฉันตั้งใจไว้พรรษานี้จะปฏิบัติวันละหนึ่งชั่วโมงหลวงพ่อมองหน้าด้วยความสลดใจเล็กน้อยนะแต่อุเบกขาเยอะเลยนะเธอปฏิบัติวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วอีก23าชั่วโมงอ่ะเธอจะปล่อยให้กิเลสครอบใจของเธอหรอนะ แล้วเมื่อไหร่มันจะสู้กันได้ใช่ไหมคล้ายๆไปชคกับใครสักคนหนึ่งนะเราเอาละวันนี้เราจะชคสามหมัดขึ้นชก ค, คราวนี้จะชคสามหมัดเท่านั้นพอครบสามหมัดแล้วปล่อยให้เขาชกแล้วไม่จะ ช, ชนะเหรือจะเอาชนะกิเลสนนั้นก็ต้องมีสติไว้สิคอยรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราไปนะหรือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเราเห็นร่ากายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเนี่ยต้องฝึกอย่างนี้ เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นความดีความชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทํางานจิตก็เป็นคนดูจิตมันวิ่งไปทางตาเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันว่าเมื่อกี้จิตหลงไปทางตาจิตหลงไปฟังหลงไปฟังเสียงเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตตะกี้หลงไปฟังจิตหลงไปคิดก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าตะกี้นี้จิตหลงไปคิดเนะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะอย่ามีสติอยู่ การปฏิบัติเนี่ยมันรวมอยู่ในชีวิตจริงๆของเราถ้าเราทําได้แล้วการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไม่งั้นบางคนบ่นว่าภาวนาตั้งนานแล้วไม่เห็นพัฒนาสักทีก็นะทําน้อยกว่ากิเลสนะชกสู้กันไม่ได้หรอกกิเลสชกทั้งวันเลยเรานานๆชกสมัดหนึ่งแถมชกผิดซะอีกนะชคไม่ถูกกิเลสหรอกกิเลสอยู่ที่ใจเราหมดจะไปชคที่อื่นนะงั้นเราค่อยรู้สึกนะพยายามอย่าให้ชีวิตสูญเปล่า ว่าไม่นานนี้ยไปเทศที่ไหนหลวงพ่อจําไม่ได้แล้วมีโยมคนหนึ่งนะ่ะขออนุ ญ, ญาตถามเนี่ยอุตสาห์จับฉลากมาถามบอกขอถามไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนยฟังแล้วก็ไม่ค่อยประทับใจแล้วลนะ่ะว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแต่อยากรู้อยากรู้ทนไม่ไหวแล้วอยากรู้ว่าทําไมหลวงพ่อปฏิบัติเ อ, อถามอย่างนี้นะบอกเออก็ยังดีอย่างเรื่องปฏิบัติเหมือนกันนะ นะถ้าอยากรู้ว่าหวยออกอะไรอะไรอย่างี้นะไม่ไหวอะ่นะหลวงพ่อไม่เล่นหวยนะแต่ไหนแต่ไรท่านแต่เป็นฆราวาสนะเราคำนวณได้นี่ว่ามันกินมากกว่าที่เราจะได้นะโอกาสเป็นหลักคณิตศาสตร์ธรรมดาเลยคำนวณแล้วไม่เล่นหรอกขัดทุนนะนี่เขาถามว่าทำไมหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเคยชินตอนเด็กๆนะไปเรียนจากท่านพ่อลีท่านแต่เจ็ดขวบ ท่านสอนให้มาพุโทโธมาหายใจไปมันทํามันชอบนะเพราะว่ามันเคยทําใจมันรู้สึกคุ้นเคยกับการปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วมันขาดขาดอะไรไปในชีวิตนี้นี่ต่อมาทามาเรื่อยๆนะย2่ปีไม่เลิกหรอกนะทั้งๆที่มันไม่ก้าวหน้านะมันพัฒนาขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่รู้เลยว่าวิปัสสนาทำยังไงก็คิดแต่ว่าถ้าเราทำสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งจะเกิดมรรคผลเอง ทำมายิบสองปีไม่เห็นเกิดเลยมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านจิตเป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลมุนอยู่อย่างนั้นเองจนอายุยี่สิบเก้านะไ่เจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตพอมาดูจิตนะก็ตื่นเต้นทีแรกดูด้วยความตื่นเต้นสนใจว่าเรามีทางเดินต่อนะก็ขยันดูเพราะรู้สึกว่ามันแปลกดีดูไปดูมาถึงวันหนึ่งนะพบว่าจิตนี่มันไม่อิสระนะ จิตมันถูกขังอยู่เหมือนอยู่ในแคปซูลอยู่ในที่แคบๆใครภาวนาเห็นจิตอยู่ในที่แคบๆปัถูกขังอยู่เนี่ยมันจิตมันถูกขังอยู่ทันทีที่เห็นตัวนี้นะใจยอมไม่ได้ละ เ, ออเราถูกขังเราติดคุกอยู่เราติดคุกมาตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่เคยเห็นเลยว่าติดคุกอยู่ใจมันยอมไม่ได้มันยอมรับไม่ได้มันคิดว่าต้องหนีออกไปจากคุกอันนี้ให้ได้ทายังไงก็ต้องสู้สู้ให้สุดรทิสุดเดนะ ถ้าแหกคุกไม่ได้ก็ขอตายเลยใจมันชิดขนาดนั้นเนื้อภาวนาแล้วมันไม่เลิกพอภาวนาไปก็เห็นจิตยังติดจิตไม่เป็นอิสระก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆภาวนาไปนานนะหลายปีอยู่จนกระทังวันหนึ่งจิตมันวางจิตลงไปวางปุ๊บลงไปโอ้สบายแล้วไหมเป็นอิสระขึ้นมาแล้วไอ้เปลือกที่หุ้มอยู่มันแตกนะมันสลายไปไม่อิสระขึ้นมา แวบเดียวนะ่ะตะครุบจิตขึ้นมาใหม่แนะพอหยิบขึ้นมานะมือเรานี่เองมาหุ้มไว้หุ้มมีมือลึกลับหุ้มมาไว้อีกก็ภาวนาภนะาวนาเรื่อยไปวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบไม่ดีสักทนะีแต่มาได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัตท่านกลับจากอเมริกามาพักอยู่ส่วนทิพย์สวนทิพย์อยู่ที่ปากเกร็ดนี่ใกล้ๆวัดกู้นี่นะ นะก็จะไปหาท่านนะไปส่งกันบ้านพอดีช่วงนั้นจิตมันวางลงไปแล้ววางได้นานนะมันไม่หยิบมาตั้งนานลนะหลายวันดีใจชวนแม่ชีตอนนั้นแม่ชียังไม่ได้บวชนะเดี๋ยวจะคิดว่าไปชวนแม่ชีไปไหนนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชทั้งคู่หละนะแล้วขับรถไปไปหาหลวงปู่สุวัสด์บ้านอยู่เมืองนอนหลวงปู่สุวัสด์มาอยู่ปักเกร็ดโอ้ใกล้ลนะพอขึ้นรถขับมาตอนนั้นนะจิตนันประครุปจิตขึ้นมาใหม่ หยิบขึ้นมาเฮ้ยวางสิเราจะไปส่งกันบ้านเราจะไปส่งกันบ้านนะเองวางซะวางซะมันไม่ยอมวางทำใจสงบเลยนะเวลารถติดไฟแดงเพิ่มสมาธิดูไม่ปล่อย <c oughs> เพ่งก็ไม่ปล่อยทำไงก็ไม่ปล่อยนะสนรถเนี่ยจะเลี้ยวเข้าซอยวัดกู้ซอยไม่สำเร็จละ ว่าจะเอาจิตตรงที่มันวางจิตลงไปเนี่ยไปให้หลวงปู่ดูเพื่อจะถามว่าถัดจากนี้จะทํำยังไงดันไปหยิบใหม่อีกละหยิบมามันก็เหมือนเดิมอีกละไม่ได้กันบ้านใหม่คิดอย่างนี้จนปัญญาแล้วล่ะว่าจะถึงหลวงปู่แล้วมันยังไม่ปล่อยใจมันก็นึกนะมันไม่ปล่อยมันเป็นอนัตตานะจิตเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้แล้วมันอยู่ดีดันตะครุบขึ้นมาอีกพอมันคิดว่าจิตเป็นอนัตตานะปล่อยพวกลงไปเลย ออปล่อยไปแล้วเหรอทำไมแกปล่อยล่ะแต่อาช่างแกปล่อยก็ดีแล้ว <c oughs> ไม่สงสัยมากเดี๋ยวมันตะครุบขึ้นมาอีกนะไปถึงเข้าไปนั่งรอหลวงปู่หลวงปู่นะท่านพิการเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำไปนอำมาตย์ท่าเขาเข็นท่านออกมานั่งรถเข็นออกมาก็กราบเรียบร้อยนั่งรอจังหวะจะถามท่านก็ยิ้มไปยิ้มมา แล้วท่านก็พูดนะประโยคแรกก็คือเวลาเราภาวนานะบางทีจิตมันก็วางจิตลงไปพอมันวางจิตลงไปแล้วมันก็หยิบขึ้นมาอีกเราก็กลุ่มใจนะว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ปล่อยเราก็พยายามทำทุกมิธีทางเพื่อให้มันปล่อยมันไม่ยอมปล่อยแต่ถ้าพอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะมันก็ปล่อยนะท่านพูดของท่านเฉยๆแค่ น, นีย้ยังไม่ได้ถามเลย อ๋อพ่อถือว่าอาท่านอยากเทศเรื่องนี้พอดีนเนี่ยใจนะจเรื่องจิตเรื่องใจมันเห็นนะว่าจิตมันไม่อิสระม่จิตมันไม่มีอิสระนะเหมือนเรารู้แล้วแล้วเราติดคุกเราพ่อแม่เราติดคุกมาก่อนเราเกิดในคุกโตอยู่ในคุกไม่เคยรู้เลยว่าติดคุกคิดว่าโลกนี้มีอยู่แค่นี้เองต่อมาเรารู้ความจรงิงแล้วข้างนอกยังมีอีกอิสระภาพมีอยู่ เราได้ริมรถเป็นคราวๆแล้วเห็นคล้ายๆมาอยู่หน้าประตูคุกชะโ ง, งกหัวออกไปลอดลุกลงเหล็กออกไปได้หายใจอ า, ากาศนอกคุกเต็มที่มีแต่กลิ่นควันรถยนต์นะใจนั้นคิดจะต้องออกให้ได้มันไม่เลิกนะงั้นพวกเราถ้าเราภาวนานะแล้ว เ, เราเห็นไว้ว่าเราอย่างไม่อิสระเราอย่าเห็นทุกข์เห็นโทษนะว่าชีวิตนี้ไม่ได้ดีได้งามหน้าพิสมัย อยากที่เคยคิดหรอกเพราะเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่เลิกภาวนาแต่ถ้าภาวนาตามเพื่อนนะเฮ่เ hey, ฮ hey, ่าเข า, ภ า, าภาวนาก็ภาวนาตามเขาปรเดี๋ยวพอเขาไปกินเหล้าเราก็กินตามเขาไปอีกนะก็เหลวไหลาตามเขาไปอีกงั้นสาบใจ น, นะถ้าเรายังไม่ได้พื้นฐานของการภาวนาเนี่ยดูเข้ามาในจิตในใจให้มากๆจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงเลยมันมีแต่ทุกข์นะแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องปล่อยชีวิตของเราให้จมอยู่ในความทุกข์นิรันดร์นะ ้อใจมันคิดอย่างนี้พอใจก็จะหาทางออกนี่พอหาทางออกเนะี่ยบางคนนะ่มันไม่เรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหาเอาเองเมื่อวานก็มีพระมาถามกรรมฐานบอกว่าผมได้ปฏิบัติผมได้เข้าใจแล้วผมเข้าถึงธรรมะชั้นสูงบอกอะไรธรรมะชั้นสูงในใจก็แอบนินทานะหน้าตาอย่างนี้หรอือธรรมะชั้นสูงสติยังไม่มีเลย บอกผมเข้าถึงโลกิยะโลกุตตะลฟังฮะโลกิยะโลกุตตะละโอ้อันนี้เกินวิชาที่เราเคยรู้ซะอีกเรารู้ว่าโลกิยะก็โลกิยานะโลกุตตะก็โลกุตตะเนี่ยเป็นโลกุตตะอยู่ในโลกิยะถ้างั้นต่อไปมีเมียก็ได้นะเพราะว่าเป็นโลกุตตะอยู่ในโลกิยะภาวนาเนี่ยไม่สนใจที่จะเรียนไม่สนใจเรียนอยู่ๆก็ภาวนาเาเอง ไปขุดหลุมอยู่นะไม่อยู่ขุดตีหรอกทำอะไรแปลกๆไปว่าเป็นพระโพธิสัตว์วรางั้นถ้าได้เรียนซะ ก, ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันจะไม่พลาดถ้าไม่ได้เรียนนึกเอาเองเนี่ยอันตรายมากเลยการที่นึกเอาเองเนี่ยอันตรายมากนะอันตรายมากอีกอย่างหนึ่งคือการเชื่ออาจารย์อาจารย์สอนอะไรก็เชื่ออาจารย์สอนอะไรก็เชื่ออย่างถ้าหลวงพ่อสอนแล้วเชื่อเนี่ยถือว่าไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อที่แท้จริงหรอก ขนาดหลวงปู่ดุลนะสอนหลวงพ่อนะแล้วท่านแค่แกล้งลองใจท่านถามว่าเชื่อไหมเกรงใจท่านมากเลยนะแต่กราบเรียนท่านยังไม่เชื่อครับยังไม่เห็นแต่ผมจะไปลองทำดูแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่เชื่อลอกจ้างก็ไปทำหรอกเอออย่างเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยโง่โง่นี้ลันดอนเลยอย่างเนี้ยเชื่อตัวเองเขาใช้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะใจเรามีกิเลส เชื่ออาจารย์ก็ยากนะเพราะเราไม่รู้ว่าอาจารย์มีกิเลสหรือเปล่าะอาจจะพาเราผิดก็ได้เนี่ยไปสอนที่บ้านจิตสบายก็มีพวกไปเรียนสมาธิอะไรมาก็ไม่รู้ะสมาธิจนกระทั่งเป็นอย่างนี้เลยเห็นแล้วอยากช่วย <c oughs> เลี้ยวไหลเลยนะเนี่ยอยู่ๆก็เชื่อนะเชื่ออาจารย์นี้แหละดี ไม่ดูเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเราะฉะนั้นพวกเราต้องฟังนะอย่างฟังหลวงพ่อเทศแล้วเนี่ยแล้วลองไปทําดูแล้วดูซิว่าผลที่ออกมาเนี่ยตรงกับที่พุทธเจ้าสอนไหมนะเราเคยทําผิดศีลหน้าตาเฉยเนยีต่อไปนี้ผิดศีลแล้วมีฮิริอตตาปะเกิดขึ้นไหมฮิริคือละอายใจไม่กล้าทําบาปอตตาปะคือเกรงกลัวผลของการทําบาปเนี่ยชาวพุทธเราไม่ทําผิดศีลเพราะเรามีหิริอตตาปะ ถ้าบอกว่าโมนีสีนดีขึ้นเพราะข่มใจไว้อย่างเข้เมแข็งเนี่ยมีศีนดีมันไม่ได้มีด้วยฮีริโอตปะเลยนะมันไม่ใช่หรอกมันข่มใจตัวเองมากไปมีสมาธิดีเนี่ยทำสเส อ, อเลยนะบางคนเออบางคนดาปีเลยทำสมาธิซะจิตนะ่าดำมืดไปหมดเลยนะลืมเนื้อลืมตัวมีพระบาองค์ท่านปล่อยวาง เคยนะไปเรียนมาจากที่อื่นนะไม่ใช่เรียนจากหลวงพ่อนะแต่มาหาเรานะปล่อยวาง น, าน้ําลายไหลเลยนั่งจะฉันข้าวนะตักอาหารตักใส่บานใส่เสร็จแล้วอันนี้ถ้าจะไม่อร่อยตักคืนงี่นะโอ้โหสมาธิอย่างเนี้นะมยมันไม่ใช่สมาธิของชาวพุทธแล้วมันไม่มีสตินะะนี่ยเรามีสมาธิเราประกอบด้วยสติไหม แล้วสมาธิอันนั้นเป็นสมาธิชนิดไหนเราก็ต้องรู้ถ้าเราเรียนจากคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงแล้วก็รู้สมาธิเพื่อความสงบก็มีสมาธิเพื่อการเดินปัญญาก็มีอย่างสมัยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถาไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่าทําสมาธิจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอันนั้นสมาธิถูกสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวแล้วท่านก็ทิ้งมันไปลืมมันไปตอนออกบวชอายุ29บานะบางตำราเพราะว่าหนีออกบวช ในพระตจผีโดพูดว่าท่านออกมาเฉยๆไม่ได้หนีออกมาว่าพ่อแม่น้ําตานองหน้าเลยออกมาท่านใจแข็งมากเลยไปเรียนกะลือศีไปหัดเข้าฌานกะลือศรีเข้าฌานถึงฌานที่8ดได้แล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางเสร็จแล้วท่านก็กลับมาทำของท่านเองอีกมาทรมานตัวเองแล้ววันต่อมาจนใกล้ๆจะบรรลุลนะ ท่านกนึกถึงสมาธิดั้งเดิมของท่านใดท่านมาทําสมาธิใหม่หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะใจเข้าฌานถึงฌานที่4ี่ตอนไปเรียนจากฤาษีเข้าฌาน8ได้ก็ต้องผ่านฌาน4แต่ว่าฌานมันคนละแบบกันนะในฝ่ายปริยัตเนี่ยเขาพูดไม่ถูกเลยว่าทําไมอันนู้นถูกอันนี้ถูกในอภิธรรมเขาพูดถึงสมาธิสองอย่างนะเรียกลักขณูปนิชฌานกับอารัมมณปนิชฌานสองอย่าง แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะแยกไม่ออกงั้นเราก็ต้องรู้นะถ้าสมาธิชนิดที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่ใช้ทําสมถะถ้าสมาธิที่จิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นรูปนามแสดงไตร ล, ลักษณ์ได้เป็นสมาธิที่ใช้ทำมิปัสนาเรียกลักขณูปนิชานลักขณูก็คือลักษณะลักษณะนั่นเองเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะนะนี่ถ้าเป็นสมาธิที่เห็นแต่อารมณนะ์ก็เป็นสมถะ สมาธิที่เห็นลักษณะก็เป็นสมาธิที่ใช้ทรรมวิปัสนางั้นอย่างเราดูท้องพองยุกเนี่ยเป็นสมาธิชนิดไหนตอบได้ไหมเราใช้ท้องเป็นอารมณ์ของอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างดูท้องพองยุกเนี่ยเป็นสมถะถ้าเห็นรูปนามสแสดงไตรลักษนณะ์รูปมันพองรูปมันยุกไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูไม่ใช่เรามันรู้ได้เองอย่างนั้นถือจะเป็นวิปัสนา รูปนามแสดงใจลักเกิดดับให้ดูต่อหน้าต่อตาถ้าเราหายใจแล้วเรารู้ลมหายใจเป็นสมาธิชนิดไหนเราหายใจแล้วจิตเราจับอยู่ที่ลมเป็นสมาธิชนิดพักผ่อนะอารามาโนปนิชานใช้ทำสมถะเฉยๆแต่ถ้าเป็นสมาธิที่ทำมิปัสสนานะมันจะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่ใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่แหล ะ, และใจมีสมาธิชนิดลักขณูปนิชาน เพราะฉะั้นถ้าเมื่อไหร่เป็นตัวไปเพ่งที่ตัวอารมณ์นะเป็นสมาธิชนิดพักผ่อนถ้าเมื่อไหร่จิตถอนออกมาแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นสมาธิที่ใช้ทําวิปนะัสสนาเนี่ยเราเรียนเราก็ต้องเรียนให้ละเอียดบางคนเรียนไม่ละเอียดนะคิดว่าพุโทโธพุโทโธไปเหิดเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งเองสมัยก่อนได้ยินเรืยนะพุทโธพุทโธวันหนึ่งก็แจ้งเองแจ้งอะไรก็แจ้งพุโทโธอยู่แค่นั้นเองสงบเฉยๆฉยนะไม่รู้ว่าต้องแยกธาแยกขันต่อนะ หรือรู้ลมไปเรื่อยๆรู้ลมไปเรื่อยหลวงพ่อรู้ลมอยู่ยี่สิบสองปีไม่เห็นจะแจ้งในธาตุในขันไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรเลยนะเห็นแต่ผีเห็นแต่เทวดาอะไรงั้นไปไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้เห็นแต่นิมิตนะงั้นเราต้องฝึกต้องรู้ว่าสมาธิที่พู้เจ้าสอนเป็นแบบไห น, นท่านพูดถึงสมาธิที่ตัวท่านผ่านมาเองสมาธิอย่างนี้ถูกสมาธิอย่างนี้ผิดไ ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงหรือการเจริญปัญญาเจริญปัญญาบางคนบอกปัญญามีสุตตะมยจปัญญาอ่านเอาฟังเอาจินตามัจญปัญญาคิดเอาภาวนามัจญปัญญานะเจริญสติตามรู้รูปนามที่แสดงใจรักแล้วบอกว่าคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญาเกิดเกิดเหมือนกันแต่เกิดชนิดปัญญาคิดคือจินตามัจญปัญญา มันไม่ใช่เกิดภาวนาไมยะปัญญาหรือฟังบางคนบอกว่ามีเครื่องอยู่คือฟังซีดีหลวงพ่อประโมทนี่แหละเครื่องอยู่เครื่องอยู่แล้วมันเห็นรูปนามแสดงใจรักตรงไหนฟังซีดีทั้งวันนะแต่ถ้าฟังซีดีไปแล้วตรงนี้ขำหัวเราะขึ้นมาเอาเห็นร่างกายหัวเราอเห็นใจขำอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติอยูนะ่แต่ถ้าฟังซีดีทั้งวันเลยไม่มีอะไรฟังก็ฟังไปเรื่อยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคิดเรื่องโ เ, เ, เรื่องนี้ไปเรื่อย ไม่เห็นรูปนามสแสดงไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้หรอกนะนั้นเราต้องดูอยู่ในรูปในนามในกายในใจของเรานี้ต้องรู้ว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเริ่มตอนที่เห็นรูปนามมันสแสดงไตรลักษณ์ไดนะ้ถ้าไม่งั้นไม่เป็นวิปัสสนาพอไหวไหมตอนนี้ใครทำวิปัสสนาบ้างที่ทำมาได้แล้วหมายถึงเคยทำแนละ้วยกมือให้ดูซิเห็น ไ, ไหมเคยเห็น ใครเห็นร่างกายกระจายเป็นโคล่านอันนี้เห็นไหมโอ้เยอะเลยใครเห็นความรู้สึกกระจายเป็นโคล่าอันเครเห็นไหมเครเห็นไหมร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยมันขึ้นขั้นเดินปัญญาแล้วมันเห็นแล้วว่ารูปเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดได้เองมามาไปไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่มาเองไปเองสั่งไม่ได้นั่แหละเรียกว่าเจริญปัญญานะ จะเรียปัญญาให้มากพอนะบางคนอินทรีย์แก่กล้าเจวันก็บรรู้แล้วบางคนก็เจเดือนบางคนก็เจปีถ้ายัางอินทรีย์อ่อนก็เจชาติเอาหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องหนึ่งนะท่านริดเยอะมีริดมากนะถามบอกหลวงพ่อเนี่ยท่านหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู ด, ดุล น, นะตอนนี้สิ้นไปแล้วหลวงพ่อคนที่ไม่เคยภาวนาเลยนะถ้าเริ่มภาวนาเนี่ยใช้เวลาสักเท่าไหร่ นานมากไหมกว่าจะได้โสดาโอ้ไม่นานหรอกประโมทไม่เกินเจ็ดชาติหรฮะไม่นานไม่เกินเจ็ดชาติเจ็ดชาติไม่นานหรอครับไม่นานดูสิตายเกิดมาตั้งเท่าไหร่แล้วเป็นอาศงไขชาติแล้วเจ็ดชาตินิดเดียวเองแต่พวกเราเนี่ยที่สนใจที่จะฟังเนี่ยไม่ใช่ชาติที่หนึ่งหรอกนะสนใจที่จะเรียนสนใจที่ปฏิบัติถ้าอินเียงอ่อนๆเนี่ย ต้องให้คนเขาชวนมาฟังเทศพวกเราเนี่ยใครชวนเพื่อนชวนมาฟังบ้างไม่ได้อยากมาเลยแต่ว่าเสียไม่ได้ยกมือซิมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะเราซื้อสัตว์ ต, ต่อตัวเองหรือถูกบังคับมามีไหมถูกจ้างมามีไหมจ้างให้ฟังเทศก็มีน ะ, อ, ะอนาถินทิกะเออชื่อรู้จักไหมจ้างลูกหรือจ้างอะไรเนี่ยล่างหลานเหรอจ้าง ให้มาฝังเทศจ้างให้ฝังเทศนะให้ปฏิบัติให้เอาของไปถวายอะไรเงี้ยถึงเวลาพระเจ้าเทศกะว่าเอาของไปถวายแล้วแกจะได้ยินธรรมะจะได้เป็นคนดีสัทีมันเล่นถวายแล้วก็รีบไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะพอท่านเทศจบก็กลับบ้านเอาเงินนะถ้ามีินี้กก็อดทนนะเอาใหม่คราวนี้จะเพิ่มรางวัลให้นะแต่ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าอะไร ยอมจ่ายเงินนะค่าฟังเทศายนี้ก็ไปนั่งฟังพยายามจะจําว่าพระเจ้าสอนอะไรฟังไปฟังมานะกลับมาบ้านนาทัาพินทิกาเขาควักกระเป๋าจะจ่ายไม่เอาได้ของดีกว่าสตังแล้วนะนะได้โสดาบันไปแล้ว <laughs> พวกเราใครเขาจ้างมาฟังเทศบ้างมีไหมออถ้าได้ตั้งใจฟังนะอาจจะได้โสดาบันบ้าง <laughs> หรือบางคนถูกบังคับมาฟังสามีบังคับภรรยาบังคับบางคนลูกบังคับยุคนี้เป็นยุคลูกบังเกิดเกล้ามีเยอะเลยล่ะที่ลูกบังคับพ่อแม่มาฟังเทศสมัยก่อนต้องพาลูกเข้าวัดนะเดี๋ยวนี้พาพ่อพาแม่เข้าวัดกันก็ยังดีนะฟังๆไปแล้วปิ๊งปิ๊งขึ้นมาก็มีลราพ่อเคยเจอนะพาแม่มาฟังเทศนะแม่ไม่ได้อยากมาหรอก เกรงใจลูกเสียไม่ได้มานั่งฟังฟังไปฟังมานะแม่เก่งกว่าลูกลูกมมดแม่จะรู้ไหมเนี่ยแม่จะเข้าใจไหมทำไงจะให้แม่ถามหลวงพ่อส่วนแม่น่ะไม่ได้สนใจลูกแม่ตั้งใจฟัง <laughs> แม่นะแยกขันเฉยเลยภาวนาเป็นเฉยเลยแล้วลูกก็ยกมือขอถามแทนแม่ค่ะ เออถามของตัวเองดีกว่าให้มารู้จักตัวเองซะบ้างธรรมะนะไม่เข้าใครออกใครนะอยู่ที่ว่าใจของเราเปิดขึ้นรับหรือเปล่าถ้าใจของเราล็อกตัวเองไว้นะมันรับอะไรใหม่ๆไม่ได้มันฉาล้นพ่วยมันรับไม่ได้ทําใจสบายๆฟังไปสบายๆมีความสุขแล้วค่อยๆสังเกตอย่างเรายิ้มเนี้ยตอนนี้ยิ้มกันเป็นส่วนใหญ่ยิ้มเราก็รู้สึก เห็นร่างกายเป็นยิ้มใจเป็นคนดูแลฝึกไปพอหลวงพ่อพูดเสร็จก็พยักหน้าเห็นไหมพยักหน้าใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราฝึกของเราไปเรืยนะไม่นานดอกเจวันเจเดือนเจปีอย่างช้าเจชาติอ่ะแถมก็จะต้องได้ธรรมะบ้างพอได้ธรรมะแล้วนะเราจะรู้เลยว่าเราได้ของดีแล้วเหมือนที่หลานนานาภัตถินิกาบอกเอาเงินไปให้นะไม่สําคัญแล้วละ แต่ถ้าได้ก็ดีแต่ไม่สำคัญหรอกนะไม่ให้ก็จะไปฟังแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องจ้างจะไปฟังเองนะบางคนแนมะ้วางแผนให้คนอื่นฟังเทศเนะี่ยยากลาบากมากเลยพรนะเจ้าพิมพิสารจะให้พระมเหสีพนงนะังเลยเขมาเออจะให้ไปฟังเทศไม่ยอมไปชวนให้ไปวัดเวรุวันไม่ไป ทำไงก็ไม่ไปยืนกลางลูกเดียวไม่ไปถามว่าทําไมไม่ไปพระพุทธเจ้าชอบสอนมากน้อยสันโดษไม่ครุกคลีลาล็อกความเพียรร่างกายนี้เป็นปฏิกูณอสุภะวัก็ชั้นสวยออกนะีจะมาสอนว่าเป็นปฏิกูณอสุภารับไม่ได้เคยได้ยินคนเขาเล่าให้ฟังว่าสอนอย่างนี้นไม่ไปเช่าพิมพิสารฉลาดนะไม่บังคับเมียก็นะรู้ว่าบังคับไม่ได้ เมียนของที่อย่าไปมีเรื่องด้วยนะใครที่มีมีเรื่องแล้วไม่มีความสุขหรอกยอมยอมไปหยวนหยวนหยวนคนไทยเราฉลาดนะคนนึกว่ากลัวเมียไม่ใช่เราฉลาดเไม่มีเรื่องในบ้า น, นปลอดภัยพรเพิมพ์สานาไปจ้างเขาแต่งเพลงชมวัดเบรุวันว่าสวยอย่างน้งน ง, งามอย่างนี้เหมือนคนรุ่นโบราณรุ่นหลวงพ่อเนี่ยถูกเพลงอันหนึ่งหลอกนะ ให้ไปดูผู้กระดึงเขาผู้กระดึงสเสน่ตื่ใจผู้เดินแทบตายเลยนะไม่เห็นมันจะตืงใจตรงไหนเลยถูกหลอกนะนี่ก็เหมือนกันนะแต่งเพลงชมวัดนะพระประัขหาเข ม, มานะอยากดูก็พยายามไปสืบว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตตอนไหนจะไปตอนที่ท่านไม่อยู่ครับนะ ก, กะอตอนนี้ท่านไปบิณฑบาตแล้วปกติไปแล้วตอนนี้ก็เข้าไปที่วัดเลย เข้าไปดูไม่เห็นสวยตรงไหนเลยหรือว่าที่สวยๆอยู่ลึกเข้าไปอีกเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะจะไปถึงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่านประทับรออยู่วันนั้นไม่ไปบิดาบัด <c oughs> จะเอะตกใจเลยนะเนี่ยดูกว่าจะได้ฟังธรรมนะอาศัยความเมตตากรุณาของคนอื่นมหาศาลเลยนะงั้นพวกเราอย่าทําตัวให้เข็นยากเกินไปนะ ถ้าพวกเรามาด้วยตัวของตัวเองได้ก็ดีแล้วมีศรัทธาที่จะพัฒนาตัวเองนะและชวนคนอื่นมาชวนพ่อชวนแม่มาก็ต้องมีชั้นเชิงอย่าไปโมโหนะบางคนโมโหพ่อโมโหแม่นะว่าชวนมาวัดแล้วไม่ฟังไม่มาทําไมแม่ใจบาปไม่รู้จักเลิกเนะี่ยอย่างนี้ลูกแหละบาปไม่ใช่แม่บาปนะนะนะเราฝึกนะฝึกอยู่ในชีวิตเราให้ได้เลยเราจะรู้ว่าธรรมามีสาระนะมีคุณประโยชน์ เรื่องโลคโรคทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศกระทั่งร่างกายของเราเองไม่ใช่สาระหรอกร่างกายเราเราดูแลอย่างดีเลยใช่ไหมทุกวันตื่นมาเนี่ยดูแลตั้งแต่หัวถึงเท้าดูแลแล้วดูแลอีกระหว่างนั่งรถไปบางคนยังดูแลนะคพักตลับขึ้นมาทำโน้นทำนี่หลวงพ่อเคยเจอนะนั่งวาดไปสามีขับรถดีรถมันกระตุกนะึ โอ้หนวดเธอแดงขึ้วันนี้เลยนะสวยทั้งวันเหมือนเนะสวยกับของไม่มีสาระนะไม่นานก็ก็แตกสลายไปนะุดโมไปแต่มีหน้าที่ดูแลก็ดูแลมันนะอย่าถึงขนาดไม่แปลงฟันไม่อาบน้ำนะเพราะปลงตกนะนั้นสังคมรังเกียจเกินไปดูแลมันเท่าที่พอหมอาพอควรนะหาอาหารให้มันกินหาเสื้อผ้าให้มันใสหาบ้านให้มันอยู่ เจ็บไข้รักษามันเพราะอะไรเราดูแลมันเหมือนมันเป็นลูกจ้างเราลูกจ้างเราเราต้องให้เงินเดือนไปซื้อข้าวกินซื้อเสื้อผ้าหาบ้านให้อยู่อะไรนี้มีบ้านเช่าอะไรเงี้ยเจ็บป่วยต้องรักษาเพื่ออะไรเราได้ใช้งานก็ได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ร่างกายนี้เป็นเหมือนลูกจ้างเรานะเราใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมีลูกจ้างแล้วใช้ประโยชน์ไม่เป็นก็โง่อีกเป็นนายจ้างที่โง่ เราต้องดูแลร่างกายนี้มากมายนะเพราะเราก็ใช้ประโยชน์สูงสุดเลยให้มันพาปฏิบัติไปให้มันเตินสะจงกลมนั่งสมาธิไปเราจะได้พัฒนาจิตใจหาสาระประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่จิตใจของเราฝึกทุกวันนะตั้งใจรักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูธาตุดูขันดูกายดูใจทำงานไปเรื่อย ฝึกอย่างนี้แล้วชีวิตเราจะได้สาระได้สิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ที่แท้จริงนอกนั้นไม่มีอะไรหรอกนอกนั้นของชั่วคราวทั้งหมดไม่นานก็ต้องคืนเจ้าของนะพอสมควรนะวันนี้ทำไมเทศง่ายหลวงพ่อขอถามนิดเถอะสองเดือนเนี้ภาวนาหรือเปล่า <c oughs> สารภาพสิ <c oughs> เทศง่ายง่ายวันนี้ กราบนมัส ก, การเจ้าค่ ะ, ะฟัง YouTube ของหลวงพ่อมาประมาณนเดือนแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบประมาณ 3-4 มถึ่ปีค่ ะ, ะหมายถึงอไงเดี๋ยวก็ฟัง1เดือนแต่ปฏิบัติมา 3-4 ปอีอ๋อปฏิบัติก่อนหน้านะคะตามรูปแบบมา 3-4 ีปีแต่ทีนี้คือคำถามคือว่าตามที่ you, ดู YouTube ของหลวงพ่อค่ะ คือจะมีแต่ยายมพูดถึงเรื่องอกำหนดลมหายใจแล้วก็พุทโธแต่นี้ตามรูปแบบของรูปเนี่ยคือ อ, อนาปนาสติกับรู้สึกความรู้สึกของร่างกายอะค่ะคือสแกนร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะเลยไม่แน่ใจว่านั้นคือรูปแบบหรือเปล่าก็รูปแบบเหมือนกันนะรูปแบบแล้วแต่ความถนัดอันนั้นก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่จิตต้องถูก ที่ทำไมก่อนที่จะไปดูเวทนาในกายกให้ทำอนาปนสติให้ทำอนาปนสติเพื่อให้ใจนันถอนตัวออกมาเป็นคนดูให้ได้นะถ้าใจยังไม่ถอนตัวมาเป็นคนดูนะไปดูกายจิตก็ถล่มลงในกายมันจะไม่เห็นว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็าอันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งขันจะไม่แยกนะถ mm ้า hmm. ขันแยกไม่ได้มันทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกหลักมันก็อันเดียวกันนละ เราก็คือเนื่องจากว่าปฏิบัติมาสามสี่ปีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่อันนั้น ม, มันสองอย่างนะถ้าเราปฏิบัติมาสามสี่ปีแล้วไม่ก้าวหน้ามันมีสองประเด็นอันหนึ่งก็คือกรรมฐานนั้นไม่ถูกจริตกับเราอันที่สองเราปฏิบัติน้อยไปนะไปดูเอาเองว่าเพราะอะไรถ้าไม่ถูกจริตก็เปลี่ยนซะกรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะกรรมฐานที่ดีสําหรับเพื่อนของเราหรือดีสําหรับครูบาอาจารย์เราอาจจะไม่ดีสําหรับเราก็ได้ สังเกตไหมหลวงพ่อสอนกรรมฐานเนี่ยไม่มีรูปแบบเท่าไหร่หรอกรูปแบบนั้นแต่ละคนไปดูเอาเองว่าตัวเองเหมาะกับอะไรบางคนทําฌานก่อนนะแล้วไปเจริญปัญญาในฌานก็มีบางคนทําฌานออกจากฌานมามาดูไกาก็มีบางคนดูจิตไปก่อนแล้วเข้าฌานทีหลังก็มนะีมีทุกรูปแบบเลยอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเยอะแยะไปนะั่นเราไม่ได้ไปเรียนแบบคนอื่นหรอกเราดูว่าอันไหนเหมาะกับเราแล้วเอานั้น ตอนตอนเด็กๆค่ะคือรู้สึกว่าแยกเย่าะแยกแยกใจและ ก, การยแยกใจได้คือตอนมันเสกผัวพ้าขวบอะไรเงี้ยค่ะตื่นขึ้นมาก็แบบว่าออรู้ว่าร่างกายนี้มาจากไหนหน้าตาผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกถ้าอย่างนั้นมันของเก่าเคยทำมาแล้วนะชาติก่อนๆเคยแยกขันมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะแยกไม่ยากหรอกแต่ถ้าไปเพ่งเอามันก็ไม่แยกนะ แต่ตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าคือที่ปฏิบัติมาเนี่ยที่ที่รู้สึกสังเกตดูตใจเราเป็นผู้รู้หรือใจเราเป็นผู้เพ่งถ้าเราเพ่งนะใจมันจะแน่นๆไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมขนาดนี้ใจเป็นธรรมชาติไหมไม่เป็นไม่เป็นอย่างนี้อาจารให้ก็ไม่แยกหลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับความลับความลับก็คือในขณะที่ใจของคนทั่วๆไปเป็นกุศลเนี่ยขันแยกแล้ว ถ้าใจกำลังชั่วเนี่ยขันไม่แยกถ้าใจเป็นกุศลนะคนที่พากนาไม่เป็นนะขันจะแยกลองไปสังเกตดูสิ<ม>เดินตามถนนเนี่ยใจของเขาเป็นกุศลสบายๆขันแยกเรียบร้อยแล้วแต่เวลาเขาเจอเพื่อนเขาเขาก็จะรีบรวบสร้างตัวตนขึ้นมาทันทีนี่คือชั้นจะได้คุยกับเพื่อนได้นี่กิเลสครอบงำออกไปแล้วส่วนนักปฏิบัติเหรอหนักปฏิบัติเนี่ยขันที่แยกอยู่แล้วเราก็ไปรวมเข้ามา เพื่อกูจะได้ปฏิบัติแล้วอย่างของลูกนี่พอจะได้บ้างไหมคะหรือว่าอย่างเพ่งอยูอไ่ไปฟังไปฟังซีดีอีกไปแต่หลวงพ่อแก้กข่าวนิดหนึ่งนะย t u b e ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะของใครก็ไม่รู้เหมือนกันขอกันบ้านด้วยคะ่ะหลว่ไปรู้ทันนะกิเลสอะไรเรกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันเอา นะพอจะดูได้อยู่กนะิเลสต่างๆเขารู้ไปมันม่นสักการค่ะคือช่วงที่ผ่านมาก็ช่วงไหนที่ที่กดเข้มงวดกับตัวเองแล้วปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโดยรวมแล้วดีขึ้นแต่ช่วงไหนที่หย่อนไปมันก็จะดอบลง มันเป็นคนๆนะ <pew. S 2> มันเป็นคนๆถ้าเราเป็นคนฟุ้งซ่านเก่งอะเราเข้มงวดกับตัวเองแล้วมันดีขึ้นถ้าเราเป็นคนที่เคร่งเครียดนะเราเข้มงวดกับตัวเองแล้วมันจะแย่ลงนะงั้นที่ว่าเข้มงวดกับตัวเองแล้วดีขึ้นเนี่ยเพราะธรรมชาติเดิมเราฟุ้งซ่านเก่งถ้าอย่างนั้นเรารู้จุดอ่อนของเราว่ามันช่างฟุ้งนะเราก็เข้มงวดกับมันถึงเวลาต้องปฏิบัติแต่เวลาปฏิบัติไม่ใช่ไปบังคับมัน นะปฏิบัติกรรมฐานสักยาหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้จิตหนีไปคิดรู้เพราะเราเป็นคนช่างคิดจิตมันจะหนีไปคิดเก่งนะให้รู้บ่อยๆสมาธิมันจะเกิดแต่รู้สึกว่าตอนช่วงที่ตัวเองเข้มงวดกับตัวเองน่าจะอยู่ในทางอยู่เพราะว่าคล้ายๆเกิดจะดีขึ้นดีขึ้นสิเพราะ <c oughs> ว่าถ้าไม่เข้มงวดเลยมันหลงตระลิดเปิดเปิ่งไปมันจะคิด มีการบ้านเพิ่มเติมอีกไหมครเรารู้จุด่อนตัวเองนะรู้จุด่อนเราก็รู้ว่าจะแก้ยังไงเราก็ไปเดินต่อเอาขอบพระคุณค่ะเนี่ยหลวงพ่อสอนูุสิ์นะสอนให้ช่วยตัวเองมากๆเลยสอนหลักให้แล้วไปช่วยตัวเองบางคนนะสอนให้ดูสภาวะพาดูนิด น, ด น, ดนดหน่อยๆน่อยพอให้ดูเป็นนะดูเป็นแล้วไปดูเอาเองนะถ้าดูไม่เป็นมันภาวนาไม่ได้หรอกธรรมการ หลงคอที่เขาหลกระผมได้ปฏิบัติตามสายวัดป่าหลวงปู่มั่นหรือโตเนี่ย ม, มาประมาณสมจุดกว่าปีเจ็ดแต่ได้มาปฏิบัติตามหลงคอนีกประมาณ5้ปีเศษดเจด็ซึ่งการปฏิบัติเดิมทีเดียวไม่ค่อยเกิดผลพอมาปฏิบัติตามสายหลงคอดาวฟังซีดีที่ลูกชายเอาไปให้ ฟังทีแรกก็จบหนึ่งโยติงเลยว่ามันไม่ใช่สาธุซื่อสัตส์ซื่อสัร์มากก็ทำไปทำมาก็มาหวนรลึกถึงวาเอ๊ะงานที่เราได้ธรรมะบางทีที่เราทำบรรษาญทำทุกทุกปีปีหนึ่งเข้าวรรษาเนี่ยก็จะประเสริฐสินแปลตลอดทากินข้าเวลาเดียวแล้วทำงานด้วยมันก็เกิดได้ปีประมาณสอ ง, ส, องสามครัง้งเทานั้นแหะอย่างนี้เวลามันเกิด มันคือจิตว่างๆนั่นเองคือเราไม่ได้ตั้งใจแต่มืม่มาผวนถึงซีดีของพ่อที่เทวดาทิ้งไปอะ่ะเออช่ยนี่ใช่กลับมาฟังใหม่เดี๋ยวนี้ติดเลยเอา้าวเหรอติดก็ไม่ดีนะ <c oughs> ฟังเง้แต่รู้สึกจะเป็นม้วนที่สิบหกจนถึงประเด็นี่ห้าสิบสี่ไม่เคยขาดในรถก็ดีนอนก็ดีอยู่บ้านก็ดี <c oughs> ก็ก็เกิด หลายๆอย่างที่ปรากฏขึ้นเอางี้ดีกว่าหลวงพ่อถามนำหน่อยนะโยมเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นครับ เ, เห็นไหมว่าสุขทุกข์กายกับใจเขาแยกจากกันคนละอย่างครับเออนะเห็นไหมดีชั่วไม่ใช่จิตใจใช่ครับเป็นสิ่งที่แปลปลอมเห็นไหมจิตใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกต้องครับนะ น้องตามาหาบัวสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาโยมเห็นไหมขันมันแยกแล้วขันแต่ละขันเนี่ยสอนไรลักเราเท่านั้นเลยสอนเพราะงั้นโยมไม่มีคำถามแล้วละเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งคือไม่ได้ถามนานแล้วก็ขอถามถามครั้งแรกก็อีกครั้งแรกไปติดตามพ่อมาแต่สวนสันติธรรมจนถึงทเนี้ยจิบก่าคนแล้ว ก็ไม่เคยถามผลปรากฏว่าการปฏิบัตินั้นมันติดอยู่ที่พบแม้แต่ได้ไม่มาเข้ามาเนี่ยแ้แตแ่จับฉลากได้เบอร์สามเนี่ยก็ก็รู้ว่าติดพบอีกแล้วใจเต้นผิดปกติในที่สุดก็สรุปได้ว่ามันมีอยู่สองอย่างคืออตัตตกิลาะมัทธยโยกกามสุขันิกายโยกทั้งสองอย่างเราจะเข้าสายกลางยากที่สุดครับ แต่เราก็เลยก็มาสงสัยว่าเอคงจะเราไม่ได้แสดงตัวไม่ได้แสดงตัวกับหลวงพ่อก็มั่งเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องสมัครก็ได้ก็เลยคิดอย่างนั้นแต่เราบังคัคิดว่าอาจจะติดตรงนี้เราไปทุกครั้งแต่เราก็ไม่เคยแสดงตัวให้หลวงพ่อทราบเลยจิตเนี่ยนะปกติเนี่ยคนที่ไม่ภาวนาเนี่ยมันจะสุดโต่งไปทางกางสุขอริกร ย, ยกยา พอรล่อมลงมือพอนานะมันจะมาสุดตรงทางอัตตะกิลมฐานยุยกนี่อาศัยว่าเรามีสติรู้ทันตอนที่มันหลงนะมันหลงไปทางตาหูอะไรต่ออะไรเนี่ยหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งอันนั้นเป็นเป็นการสุขาธิการยุยกเรารู้ทันทันทีที่รู้ทันเนี่ยจิตรู้ก็เกิดขึ้นพอจิตรู้เกิดขึ้นของโยมมันฝึกมาจนถึงขันแยกได้แล้วก็จะเห็นขันมันแยกออกไปมันแยกไม่ยากแล้วล่ะมันอยู่ที่ว่า เราทําได้มากพอหรือยังนะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อว่าพอเราภาวนามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนปลูกต้นมะม่วงไว้ออกลูกแล้วต้นมะม่วงออกลูกเนี่ยอย่าไปรีบเก็บมานะถ้าไปเก็บมาบ่มเนี่ยไม่หอมหวานท่านว่าอย่างนี้นะสัมนวนท่านหน้าฟังหลวงปู่เทศสอนนะเพราะเราภาวนาจใจเป็นอย่างเนี้ยขันมันแยกมันทํางานของมันเองดูอยู่ได้ทั้งวันนะ ท่านอะไรบอกว่าอย่าไปเก็ บ, บมะม่วงมากินนะครับ <laughs> ครับก็การภาวนาของผมอีกส่วนหนึงคือเห็นจิตของตัวเองเนี่ยมันหมุนหมุนอยู่ที่กลางเนา่าเออนั่นแหละแล้วก็เป็นมีสภาวะอื่นคือจิตจริงๆมันมันเห็นว่ามันเป็นบริสุทธิ์สะอาดสว่างอืแต่มันมีกิเลสมันหมุนเข้ามาเหมือนเหมือนอย่างกับแรงบานตอมกันละครับจิตจิตนั้นมันสว่างแต่ไม่สะอาดหรอกครับ ว่ตัวรู้เนี่ยสว่างแต่ยังไม่ถึงขั้นสะอาดหลวงตามหาบัวถึงบอกตัวรู้นี่แหละตัวอวิชชานะฝึกอีกนะครับอีกนิดนึงหลวงพ่อยาวนั้นนะเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ถามเพราะว่ายังไม่เคยถามเลยครับนานสามสิปีเลยให้มีเรื่องหนึ่งที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ดูจิตภายนอกอืแต่ผมก็ปฏิบัติอย่างนั้นผลปรากฏว่าระหว่างบางครั้งเนี่ยเราว่างสว่างไม่มีตัวไม่มีตนเลยอ แต่พตอข้างนอกกันแวบก็มามันมีตัวเป็นตนเข้ามามันเลยกลัวให้เราไม่มีตัวเปนตนอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยผมก็เลยว่าเออถ้าดูข้างในแล้วผมว่าไปดูข้างนอกบ้างข้างนอกก็ไม่มีตัวเป็นตนมันมีแต่สภาวธรรมเท่านั้นอะอย่างนี้จะใช้ได้หรือไม่ครับใช้ได้ที่หลวงพ่อบอกว่าจะไปดูจิตคนอื่นนะพวกหัดใหม่นะมัวแต่ดูของคนอื่นมันย้อนมาดูตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นข้างนอกกระทบปุ๊บเราเห็นข้างในทํางานอย่างนี้ใช้ได้ถือว่าเราดูอยู่ข้างในนะอย่างนี้ครับครับพระคุณมากครับ นมัสการค่ะหลวงพ่อพอดีเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะหนูก็ก็เหมือนกับเห็นตัวเองเดินอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็งปกติแต่ไม่ได้ไปเพ่งไปอะไรนะคะ<ม>พอหนู่ขึ้นกับที่รถตู้ค่ะมันก็มีมีพู้โดยสารเข้ามาเขาก็เหมือนกับจะมีอาหารเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็มาแตะที่จมูกอะคะอ่ะใจหนูก็วิ่งไปที่จมูกมันมันวิ่งไปเองนะคะไม่ได้ไปตั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างดีนะบางคนใจมันวิ่งไปที่เขายกมาวิ่งไปที่จมูกแล้ว ทีนี้มันก็ได้กลิ่นขึ้นมาค่ะแต่ว่าตอนนั้นจิตมันไปบอกว่าอ๋อจมูกเขาทาหน้าที่ของเขาก็คือรับกลิ่นทีนี้มันมีตัวที่วิ่งเข้ามาอีกเขาก็จะมีตัวของเขาที่จะบอกว่าเอออันนี้มันมันเหมือนมีอะไรมามาบอกอีกทีนึงว่าอันนี้มันลดมันกลิ่นหอมไม่หอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจมันก็จะเข้าไปไปอีกว่าชอบไม่ชอบเงี้ยค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วหนูก็หายไปแวบหนึ่งหายไปมันเกิดแวบเดียวจริงๆค่ะพอเสร็จแล้วหนูก็ดูกายดูแรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เขยังรู้ตัวอยู่นะคะแล้วพอเสร็จแล้ววันต่อมาเหมือนที่หลวงพ่อเทพเมื่อสักครู่เลยค่ะเหมือนเรามีปัญหาเรื่องงานแล้วก็ใจไปเพลงแบบเหมือนมีโกรธอะไรเงี้ยเราพอบัรหายโกรธปุ๊บแต่มันมันติดเพลงเนี้ยค่ะมันเหมือนมีอะไรตั้งๆอย่างนึงอ่ะเราใจเราก็แบบเฮ้ยทาไมมันไม่ไม่สงบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอจนวิ่งวิ่งวนทั้งวันแบบอยากจะสงบมันจนกระทั่งเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มี มันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบทั้งวันมันก็มีขึ้นๆลงๆมันก็เป็นปกติจนจนมันปล่อยอย่างนั้นแหละมันก็เห็นหน้าหน้าตานะมันวางเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละบังคับไม่ได้ใจมันก็วางที่พูดมาถูกทั้งหมดแล้วจะจมูกได้กลิ่นตรงที่จมูกได้กลิ่นนะยังไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรมีการแปลก่อนว่ากลิ่นอะไรพอแปลเสร็จแล้วก็จะปลูกต่อว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบใช่ค่ะ ถูกแล้วเสร็จแล้วก็หายไปแว บ, บหนึ่งจิตตกผวังก็ขึ้นมารับอารมณ์ใหม่ถูกแล้ววิธีของจิตก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแล้วทีนี้แล้วพอที่มันที่มันเหมือนกักขังอยู่แนละมันมันก็หายไปหนูก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไงตอบแต่ก็ดูกายไปเรื่อยแต่หนูก็ไม่รู้จะทำไงตอบเหมือนกันเออไม่ต้องทําอะไรครัก็รู้กายรู้ใจไปเรื่อยเรยเลยทีไม่ได้ไปต้องทําอะไรมากมายหรอกและมันเห็นเองถ้าพยายามจะดูโน่นพยายามจะดูนี่เสียหมดเลย ผมจะตั้งใจทาต่อดีถามได้หน้าฟังอยู่เออผมเอ่อย่ายาวนะวันนี้วันนี้เจอยาวๆหลายคน <c oughs> <c oughs> เอาย่อๆธรรมะแท้ๆเหลือคำเดียวสองคำก็ได้นะครับเอ่อผมได้ฟังธรรมอ่าอาจารย์รู้สึกว่ามันอา่อาอาัยสัญวาน o n ฟู r f u l นะครับอัสสัญมาก จนผมคิดว่าผมจะบวชเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่ารู้สุกรู้ทุกข์ขึ้นมารู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าเออจริงๆแล้วนะเราไม่ใช่ตัวเราเหรอกแล้วก็ในที่นี้ไม่มีคนหรอกเปลี่ยนเพียงแต่เรื่องของสับโพสเรื่องของการสมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองครับผม ขอบคุณครับดีมีแต่สมมุติถูกแล้วแต่เราต้องอย่าเผลอเนาะอย่าไปเผลอคิดว่ามีแต่สมมุตินี่อันนี้ยังคิดอยู่นะต้องให้เห็นด้วยใจจริงๆนมาส ก, การครับคือเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อประมาณสองปีที่แล้วครับพอฟังซีดีก็รู้ว่าตัวเองเพ่งก็เลยทิ้งพอทิ้งสักพักก็ฟุ้งพอฟุ้งมากๆก็ทุกข์ก็เลยกลับไปทาสมาธิใหม่เหมือนเดิมก็กลับไปเพ่งอีกก็ สปีที่ผ่านมาก็จะฟุงงฟ้งเพ่งฟุ้งเพ่งแล้วก็มันก็หลงทางครับผมไม่หลงหรอกรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้กตกรอนไม่เหมือนกันครับไม่ครับรู้สึกครับมันไม่ได้หลงทางหรอกนะเวลาที่เราเดินไปในทางตรงตรงเนี่ยรเราเดินด้วยขาซ้ายทีขาขวาทีถานะว่าขาซ้ายมันอยู่ตรงกลางไหมไม่อยู่ขา ข, าขวาก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางน ะ, ะนั่นเดี๋ยว LEX, เผลอเดี๋ยวเพ่งเดี هنا, ๋ยวเผลอเดี๋ยวเพ่งเผลอแล้วดูเพ่งเรารู้ร ει, มันเข้าทางตรงๆงนะครับแล้ว มีสังเกตไหมขันมันแยกได้เคยเปิดเหนบางครั้งไม่ไม่บ่อยครับก็<ม>เห็นเป็นครั้งเป็นคราบแล้วมีคำนามคืองานที่ทำเนี่ยครับจะต้องช่วงกลางวันเนี่ยจะต้องเจอคนบางทีบางวันเป็นร้อยคนแล้วแบบบางทีก็เป็นเด็กๆอายุบางทีก็เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าแต่ละคนก็คืองานผมต้องแก้ปัญหาให้คนแล้วส่วนใหญ่จะเจอคนฟุ้งมากแล้วแบบคือมันควบเองไม่ไหวอ่ะใจก็ไหลไปตามเขาส่วนใหญ่ กลาวันอ่ะจะฟุ้งแหลกราเลยกลับรู้สึกตัวคือตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นละครับเนี่ยเราภาวนาเอาตอนเช้าตอนเย็นนะครับแล้วคนไหนมันฟุ้งพอดีพอดีเอาซีดีหลวงพ่อไปให้บ้างครับ <c oughs> ถ้าฟุ้งแหลกก็ไม่ต้องไปให้เหมืนหกครับครับนั้นผมคงมีมีงานทั้งั้นเนี่ยก็คือมัอนตอนที่คุ ณ, คณพี่ผู้หญิงที่หนึ่งถามนะครับก็คือหมายความว่าผมม า, มมาอะไร ที่ทําทุกวันอ่ะในทางรูปแบบครับทาถูกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังทำไม่พอถูกแล้วครับถูกแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกมันไม่พัฒนามาตรงนี้หรอกเห็นไหมเราเปลี่ยนเปลี่ยนครับเออนะทําถูกแล้วครับก็จะถวายพระเจ้าแล้วก็ทําถวายหลวงพ่อครับไปคือยังต้องทําไปตั้งชีวิตครับทํำมากทาน้อยเผอบ้างทําบ้างก็ต้องทําไปครับเออต้องอย่างนั้นนะสาธุเผือบ้างทําบ้างเป็นเรื่องปกติอะ บางคนบอกจอต่อไปนี้จะไม่เผลอเลยว่าเป็นไ ป, นปนไม่ได้ อ, อวาวมามสกานครับอก็ปฏิบัติตามตามแนวหลวงพ่อมาได้ประมาณหปีแล้วครับแล้วก็ความรู้สึกว่ามันระหว่างวันเนี่ยมันไม่ใช่แต่ดูจิตอะครับก็คือทุกอย่างที่เราทําสามารถสามารถมีสติรู้ได้หมดเลยแล้วก็รู้ได้ถี่มากเล<อ>ยครับ<ด>แค่นั้นแหละครับนหลวงพ่อพุธสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดมีสติ สุดท้มันก็เห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยรู้สึกว่าโลกมันมันเหมือนมันแต่ตัวนี้ยังมีโทสะแทรกอยู่ครับนะยังเป็นโทสะอยู่ครับผมขอคันบ้านด้วยครับหลวงพ่อไปดูต่อสิครับผมอย่าไปเกลียดโลกซะก่อนเละกาบหลวงพ่อค่ะตอนนี้จิตมันกดนะถ้าก็รู้ว่าตัวเองได้ส่งกันบ้านก็กดมาตลอดเหรอโถไม่น่าส่งเลยต้องใจกล้ามากเลยอะที่จะส่งที่นี่ หลวงพ่อให้โยมว่าโยมย ม, มีปัญหามาระยะหนึ่งอะค่ะมันเอาแต่นอนมากเลยแต่ก่อนหน้านี้นี่นอนแบบไม่ยอมลุกไม่ยอมทำอะไรเลยแต่ตอนนี้กันยังนอนออกแนวขี้เกียจอะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจภาวนานะโยมยังดูจิตดูใจอยู่ตลอดนอนดูอยู่ คื อ, นอนมันเหมือนไม่อยากรุกขึ้นมาทําแล้วไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรไม่ถ้าวันทํางานเนี่ยไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปทํางานตั้งแต่เช้าก็จะสายมาก อ, อะไรเงี้ยพอไปถึงก็แบบกระเซิงกระเซิงเข้าไปแบบเอางี้ต่อไปเวลาความรู้สึกขี้เกียจเกิดขึ้นนะให้รู้ทันเข้าไปดูเข้าไปตรงๆเลย<า>นะไม่งั้นเราถูกมันครอบไว้เวลาภาวนานักภาวนาไม่ได้ขี้เกียจนะนักภาวนานขยันเพราะขี้เกียจเป็นกิเลส มีเมื่อเช้า่ตื่นมาก็ยังมีอาการขี้เกียจแล้วก็เอะใจขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะมาสาราลงชินเนี้ยก็รู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาแล้วพอลุกขึ้นมาเดินก็ยังรู้สึกว่าเออชีวิตมีความหวังแสดงว่าไม่ชอบทํางานมันท้อแท้ใจที่จะทํางานโยมจะทํำยังไงดีทีก็ถามตัวเองว่ามันจะรอดไหมเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วไงดูเขาไปตรงๆเลยใจที่ท้อแท้ใจที่ขี้เกียจดูเขาไปตรงๆ ที่ภาวนามาน่ยใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะแล้วมันก็จะมีจิตเศร้า ๆ, ๆนั่นแหละ อ, อย่าไปปล่อยให้มันครอบไว้เศร้าๆดูมันก็ไปตรงๆเลยนะเดี๋ยวมันก็าหายมันทนไม่ได้หรอกเพราะมันก็เป็นใจรักเศร้าๆหรือขี้เกียจอะไรนี่ก็ใจรักทั้งนั้นแหละไปดูเอานะอย่าปล่อยให้มันครอบไม่ดียังภาวนาได้อยู่นะคะได้ไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายนะคนก็จะบอกนักปฏิบัติขี้เกียจเนี่ย พระพุทธเจ้าสอนแล้ทาให้คนขี้เกียจอู้เสียหายเสียหายกับพระพุทธเจ้าแต่โยมก็ไม่ทําให้ว่าเสียชื่อลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะถ้างานทําเต็มที่แต่ใจมันขี้เกียจเออถ้าอย่างนั้นงานทําเต็มที่ใช้ได้แล้วใจขี้เกียจให้รู้ทันอย่างเนี้ยเป็นลูกศิษย์เต็มที่กราบขอพระคุณหลวงพ่อไม่งั้นเป็นครึ่งเดียวเป็นแต่ร่างกายกราบนรัสการหลวงพ่อคะ่ะ ก็ติดตามหลวงพ่อมาสามปีเต็มค่ะวันนี้เป็นการผสมการบ้านครั้งที่สองค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้แนะว่าให้ไปตามดูจิตก็เห็นว่าจิตของตัวเองนี้มันดิ้นมันหลุดวันหนึ่งไม่ทราบมันคิดอะไรตัวอะไรมากมายใช่รู้สึกมันมีภาระนะค่ะเหนื่อยอ่อนก็เ <c oughs> มีภาระมากค่ะก็ใจอยากจะมาเรียนถามอาจารย์ว่าที่ปฏิบัติ ติดตามมาเป็น15 <ม>เดือนวันนี้เป็นการส่งคาถามครั้งที่สองค่ะว่าโยมเดินทางถูกไหมคะถกถูกแล้วแล้วทาไมถึงจิตมันทุกข์มากแล้วทุกข์มากกว่าจิตมันทุกข์อยู่แล้วนะแต่เราไม่เห็นตอนนี้เราเห็นแนละ้วต่อไปเราจะรู้ถึงขนาดที่ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีได้ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าภาวนาอย่างนั้นนถึงจะเข้าใจธรรม อยากจะเรียนถามอาจารย์เข้าสุดท้ายค่ะว่าการปฏิบัติทุกวันนี้อยากจะเพิ่มความเพียรนะคะคือความเพียรเนี่ยนะความอยากนะอาจารย์บอกว่าเป็นกิเลสแต่คราวนี้ถ้าไม่มีความอยากมันก็คือขี้เกียจไม่ได้นะแค่ขี้เกียจรู้ทันเลยเราพาวนาเราแต่ว่าพอพาวนาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตรงสติก็อัตโนมัติใจก็ตั้งมั่นอัตโนมัติ ขันก็แยกอัตโนมัติถึงตรงนี้เร่งความเพี้ยนไม่ได้หรอกนะถ้าเร่งเราเพีย้หน่ลยพเพราะว่าอะไรเพราะมันเร่งเต็มที่อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ยอมรู้สึกตัวไม่ยอมเลยอย่างนี้เร่งได้จะนอนอย่างเดียวก็ลุกขึ้นมาเดินจงกลมอย่างนี้เร่งได้แต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงนะเห็นท่าเห็นขันทํางานอัตโนมัตินะไม่ต้องคิดเล่นแลนะ้วะดูไปได้่อยๆค่ะทรานนี้ขอเรียนถาม ข้อสุดท้ายนิดหนึ่งขอย่อยค่ะว่าตัวโยมเองก็ขณะที่ไปทำบุญวันพระนะคะก็นั่งพระนำทำสมาธิชนิดสมถะค่ะก็เห็นความสว่างช่วงแว บ, บเดียวแล้วขณะนั้นคือสมถะสมาธิใช่ไหมคะรใช่ใช่ตรงนั้นก็ได้บุญเยอะน ะ, ะเทียบกับบุญเอาของไปใส่บาตรนะบุญตรงนั้นยังแรงกว่าบุญของสมาธิสูงกว่าบุญของทานนะ สมุนของปัญญาเนี่ยสูงสุดกรับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะแต่ฉันไม่ได้ส่งกันบ้านนานมากก็เลยสงสัยตัวเองว่ายังอยู่ในเส้นทางของการปฏบัติหรืลศีลเราดีขึ้นไหมรู้สึกตัวคือความรู้สึกที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นดับลงอะไรเนี่ยยังนึกว่าเอ๊ะเราคิดเองหรือเปล่าไม่ได้ ค, คิดเองเหรอกทำถูกแล้วนี่ ถ้าเราวัดความก้าวหน้านะดูตรงที่กิเลสน่ยนะนะกิเลสเกิดขึ paz, ้ ain, นเรารู้ทันไหมกิเลสลดลดลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมเราวัดกันตรงนี้แหละศีลเราดีขึ้นไหมใจเราตั้งมั่นบ่อยขึ้นไหมเห็นขันแยกไปเห็นขันทํางานบ่อยไหมนะถ้า <ว minimum S 2> มันมากขึ้นมากขึ้นก็ถือว่าพัฒนาอยู่และการแพ่งของดิฉันล่ะคะเมื่อก่อนจะติดแพ่งมากตอนนี้แพ้งไม่มากแล้ว ถ้าเพยงมากมันจะแน่นรู้สึกไหมมันเบาลงค่ะกลับครับพระคุณค่ะกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะนิฉันเคยปฏิบัติทำฟังดีๆหลวงพ่อมาประมาณห้าหกปีอ ะ, ค, ะค่ะเคยส่งการบ้านครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลสลับเรียอะคะ่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าหนูเป็นคนขี้มโมโหแล้วก็หุ่งสั้นนะคะตตอนนี้หนูก็ยังยั ง, ย, งยังฟุ้งอยู่นะคะหลวงพ่อ ก็เคยก่อนหน้านี้เคยเคยตั้งจิตว่าขอให้ชาตินี้อยู่ในกระแสนิพพานนะคะรู้สึกว่ากิเลสมันมาเยอะมากเลยค่ะลุงพ่อ อ, อ, อยาก<จ>ท้าทายถ้าต้องทดสอบ เ, เอาไม่อยูย่อะค่ะก็คือตอนนี้ภาระหน้าที่การงานมันก็เยอะค่ะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ภาระครอบครัวค่ะก็เลยทําให้ช่วงหนึ่งเนี่ยแบบว่าบางทีเราก็อาจจะติดติดเพื่อนนะคะทําให้ใจเราฟูแล้วก็แปบบอพอเรายึดมั่นมากเกินไปเนี่ย ใจเราก็ยึดแล้วมันก็จะเจ็บปวดเมื่อเราไม่ได้สมหวังอย่างที่เราคิดนะคะหลวงพ่อก่อนหน้านี้หนูฟังพามพามหลวงพ่อตลอดแต่พอตอนหลังๆนี้เริ่มแบบละเลยก็ทําให้ใจเนี่ยมันทุกข์มากเลยค่ะหลวงพ่อเลยเข้าสู่ภาวะที่คล้ายๆกับใจมันเริ่มซึมเศร้าและหดหัวค่ะก็เลยอยากให้หลวงพ่อว่าจะมีเทคนิคยังไงคือคุณอุบายตรงเนี้ยให้ใจมันยกออกมาก่อนนะคะเพราะมันอย่างนั้นใจมันใจหาายยววะะค่ๆ หายใจแล้วเหมือนกับเราไล่ตามก้านสมองฮะไล่ลงกระดูกสันหลังไปค่ะทา ไ, <ป S 2> ไปเรืร่อยๆนะสมาธิมันจะดีขึ้นใจสว่างขึ้นค่ะก็จะพยายามนะคะ้จะพยายามให้อยู่ในธรรมนะคะบางทีใจมันฟุ้งเยอะมากะคะ่ะคือเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนคิดมากคิดมากแล้วมันก็ไม่ปล่อยวางไปวางในจรริตนะคะก่อนเยอะแล้วล่ะค่ะต่อไปนี้จะพยายามนะคะจะพยายามตามดูตามรู้ใจให้มากนะคะหลวงพ่อขอการบ้านด้วยค่ะก็ไปดูเอาสิ นะแต ah ah ah ah ah ่หายใจด้วยนะหายใจไปเรื่อยๆใจมันได้สว่างสบายค่ะค่ะกราบน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อกราบน้ำมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติในรูปแบบโดยหายใจเข้าออกดูท้องพองยุบแล้วก็ภาวนาเข้าท้องพองพุทธท้องออกโทเนี่ยแล้วก็ตามตามเฝ้าตามรู้จิตที่มันไหลแบบนี้แต่ปัญหาคือเวลาทหลับตาทำนะฮะนั่ง แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันซึม ง, ง่ายมากเลยครับคือมันแป๊บๆมันก็ซึมแตม่ช่วงที่ซึมเนี่ยมันก็ยังพอปฏิบัติได้ตรงตร ง, ตรงนี้ผมเลยไม่มั่นใจว่ากรรมฐานที่ผมทำเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะผมซึม ง, ง่ายมากเลยครับโ ด, โดยธรรมชาติของคนทุกคนนะถ้าอายุสักสี่สบดขึ้นไปนั่งนิดหนึ่งมันจะซึมคือสมองมันก็เริ่มถดถอยลงแล้วละ งั้นเราต้องอาศัยการเคลื่อนไหวมาช่วยนิดนึงช่วยกระตุน้นความรู้สึกตัวหน่อยนะถ้านั่งเฉยๆมันจะซึมงั้นอย่าไปนั่งเฉยนะนั่งแล้วกระดุกกระดิกไปก็ได้ไม่ต้องทําอะไรมากนั่งขยับนั่งพัดนั่งอะไรนะจะจะช่วยให้ไม่ซึมแต่ถ้านั่งดูลมแป๊บเดียวมันจะซึมแล้วมันซึมง่ายเป็นธรรมชาติเป็นทุกคนครับรถเดียนถามหลวงพ่อว่า เ, ออเวลาปฏิบัติในในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับ ส่วนห้เราเราทำอะไรพวกนี้หมายว่าเราตามรู้ตามดูความรู้สึกหรือว่าพอว่างจะต้องมานั่งหายใจเข้าออกดูลมคือยังไงดีให้ทักตรงที่ผมแยกไม่ออกดีทั้งหมดเลย<อ>ตรงที่เราตามเห็นความเกิดดับของอารมณ์นะเราเดินปัญญาอยู่ตรงที่เวลาเราว่างเรามานั่งหายใจยให้ใจได้พักผ่อนเราทำสมถะดีทั้งคู่นะคือหมายว่าในชีวิตประจาวันว่างเรื่อยรพวกนี้เนี่ย เราตามรูปตามดูพอนึกได้ก็คือนั่งทําทําในรูปแบบด้วยใช่ไหมครับได้ทาได้แต่ว่าอย่าให้เคลิ้มไปก็แล้วกันถ้าเคลิมก็ต้องกระตุกกระดิกเอาครับตอนนี้บางครั้งเวลาทำเนี่ยฮะเวลาทําบางครั้งเนี่ยมันเห็นแบบว่าเหมือนกับว่ามันดับปุ๊บแล้วมันขาดไปแล้วมันขึ้นมาเป็นอันใหม่เลยเนะ่ยโ<อ> น, น, นั่นแหละนั่นแหละมันเกิดดับจริงๆนะบาง <ไป S 1> ครั้งนะมันแค่ ตามรู้ตามดูธรรมดาอไอ้แบบหลังก็ใช้ได้ไม่ไม่ต้องให้เห็นแบบแรกใช่ไหมครับเราดูแบบแรกไปเท่าั้หละเห็นมัน เ, เราดูตามรู้ตามดูไปนี่แหละนะถึงจุดที่ปัญญามันพอแนละ้วมันเห็นตัดชับเลยนะแล้วก็ขาดไปเลยแล้วก็ค่อยเกิดอันใหม่ขึ้นมาตรงนั้น่ะปัญญาจริงๆมันเกิดนะ oh. เวลาวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นมาจริงๆนะมันจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีช่องว่าง อันหนึ่งมันขั้นอยู่แล้วค่อยเกิดอันใหม่ขึ้นมาอันนี้มันเกิดดับให้ดูจริงๆแะ้ะ อ, อ, อันนั้นนานๆเกิดทีไม่ต้องให้ดูได้ตลอดเวลาหรอกครับหลวงพ่อครับก็ก่อนหน้านี้ผมกดเพิคือกดนี่ก็มันจะรู้รู้สึกนะฮะกดแล้วรู้แล้วเพ่งก็รู้สึกแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันน้อยลงนี้เป็นเพราะมันฟุ้งมากขึ้นหรือว่ามันอะไรผมชักไม่มั่นใจครับเันต่อนพาดีขึ้นสิไม่ไม่ใช่วันฟุ้งมากแล้วหย่อนลงไปใช่ไหมครับ แต่ว่าคนที่เคยเพ่งมากๆานะพอปล่อยเนี่ยมันจะฟุ้งกว่าคนทั่วไปนะเพราะงั้นเราไม่เลิกทําสมถะสมถะเราก็ทําแต่ว่าพอไปเพ่งเราก็รู้ทันเราคลายออกซะครับหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําหรือให้ผมแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้ามันซึมก็กระตุกกระดิกไหมกนะวาดบ้านก็ได้ทําอะไรก็ได้ลดต้นไม้ก็ได้ถ้ามีหมาก็อาบน้ําให้หมาอะไรอย่างนี้นะกรรมาฐานทั้งหมดเลย ล, ลืมอีกไหม บางทีถ้าเรายนลืมตาแล้วปฏิบัติในรูปแบบแต่ลืมตามันมันรู้สึกขัดขั ด, ขดยังไงไม่ใช<ม>่นไม่ชินเนี่ไม่ชินถ้าชินแล้วจะหลับตาลืมตาเหมือนกันหมดแหละแต่เวลาจิตรวมนะถึงลืมตาอยู่มันก็หลับของมันเองอย่างนั้นฝึกแบบลืมตามากกั่งก็ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าเราซึมนะก็ลืมตาไว้กราบกราบขอพระคุณหลวงพ่อครับครับ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 เอวามวาอีโตตินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังกิปเมวาสมิชะตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะ อาพิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจ ต, ตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุก็อย่างดีนะฟังเทศแล้วใจเข้มแข็งขึ้นกับปรี่กับเป่าขึ้นตอนเริ่มเทศใหม่ๆนะดูป่อแป้ไปหน่อย <laughs>